การใหญ่เล่าต่อไปถึงเหตุการณ์ภายหลังจากที่ไอผีดิบสองตนนั้นแน่นิ่งไปแล้วไอซากนักรบโบราณตัวใหญ่ที่สุดและเป็นตัวเดียวกับที่บุกก็มาหักคอลูกหาบเสื่อสองคนในคืนที่เขานอนไม่สบายอยู่ได้ปรากฏตัวขึ้นโผล่ล่อให้เขาเห็นและส่งสัญญาณท้าทายเชิญชวนให้ติดตามมันไปเขาตามมันไปเป็นลาดับโดยเจตนาหวังไว้ว่า หากเห็นร่างกายส่วนใดของมันชัดเจนก็จะใช้กระสุนไรเฟิลขนาดใหญ่ที่ประจำตัวอยู่เด็ดร่างกายของมันให้ขาดออกเป็นชิ้นส่วนแต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นมันโผล่ออกมาเป็นเป้าหมายถนัดพอที่จะลั่นกระสุนได้เลยจึงตามไปทุกระยะส่วนการหักกิ่งไม้เป็นสัญญาณไว้นั้นก็เป็นสัญชาตญาณประจำตัวของเขาเองที่จะต้องทาไว ขณะที่ออกติดตามแกะรอยสิ่งใดเพื่อว่าถ้าจาเป็นจริงๆพรรคพวกด้านหลังก็ยังทราบว่าเขาบ่ายหน้าไปทางไหนหรือมิฉะนั้นตัวเองก็จะได้ใช้เป็นเครื่องหมายย้อนกลับมาทางเก่าได้ผมไม่คิดว่าผมจะต้องตามมันไปจากที่นอนอยู่ห่างแคมป์ไกลนักนะครับก็รู้สึกว่ามันจะลับๆ ล, ล, ล่อๆอยู่ไม่ห่างไปเท่าไหร่เลยจึงสาวรอยหาโอกาสยิงไปทุกขณะ ซึ่งยิ่งเดินตามก็ยิ่งห่างที่พักมันเจตนาที่จะล่อผมให้ไกลาจากแคมป์ของพวกเราส่วนใหญ่ออกไปขนาดนั้นผมไม่รู้ตัวเลยหวังที่จะตามมันประการเดียวครับในที่สุดจากการตามกันอย่างวุ่นวิตรกระชั้นชิดมันก็นําเขาขึ้นเนินลูกหนึ่งเป็นบริเวณที่โปร่งตามีต้นไม้ใหญ่น้อยยืนห่างกันอยู่เป็นระยะระยะณนะที่นี้เอง เขาเชื่อแน่ว่าคงมีโอกาสยิงมันอย่างแน่นอนเพราะไม่มีสิ่งกำบังรับตาแต่ทันทีนั้นเองมันก็บูบหายเข้าไปบังหลบหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผมเอาไฟฉายส่องจับตำแหน่งนั้นไว้ตลอดเวลานะครับรอว่าเมื่อไหร่มันผละจากต้นไม้ต้นนั้นและไม่ว่ามันจะเคลื่อนไหวไปทางใดก็ตามก็จะต้องเข้าทางปืนผมแน่นอนระพินพูด สีหน้ายามนั้นแข็งกระด้างเหมือนหินทั้งหมดฟังชนิดแทบไม่ยอมหายใจจ้องเป๋งมาที่เขาเป็นตาเดียวผมก็เนว่าได้รออยู่ครู่ใหญ่ทีเดียวครับมันก็ไม่โผล่ไม้เห็นเลยคงบังเงาอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นะั่นวิธีเดียวเท่านั้นที่ผมจะมองเห็นตัวมันได้ก็คือต้องเดินอ้อมไปทางด้านหลังของต้นไม้ต้นนั้นและขณะที่ผมเดินอ้อมทิศทาง เพื่อหามุมยิงนั่นแหละก็รู้สึกว่าเท้าเหยียบลงไปบนกองไม้ไม้แห้งซึ่งปูลวงตาปกคลุมไว้ข้างใต้เป็นอากาศอันว่างเปล่าไอ้ความที่คอยจ้องระวังที่จะยิงมันอยู่ทำให้ผมไม่ทันสังเกตพื้นที่ก้าวเดินไปเพราะเห็นว่าเป็นพื้นโลกไม่ได้รกทึบยังไงทั้งสิน้นเมื่อเท้าเหยียบถล่มลงไปในโพรงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ผมก็เสียหลัก ก็รู้ในทันทีนั้นเลยว่าผมตกเหวแล้วร่างกายของผมพลุกลงไปทั้งตัวกระทบกับของแข็งๆซึ่งเข้าใจว่าเป็นแง่หินที่โผล่งอกอกมาในปล่องเหวนะความรู้สึกของผมดับวูบไปทันทีหมดสติไปตั้งแต่เวลานั้นมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงบุญคํเขย่าเรียกให้กินยาสนเะตลียกมือขึ้นลูปคาง มองไปยังทุกคนที่รายล้อมอยู่ในขณะนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์มันก็ประสานติดต่อกันได้แล้วล่ะไอตัวจ่าฝูงหัวหน้าได้เข้ามาล่อระพินโดยเจตนาเพื่อนําเขาไปหลุนเหวไปนูบายที่จะกําจัดหรืออย่างน้อยก็นําระพินห่างออกจากแคมพวกเราซะก่อนพอระพินไปหมดสติอยู่ในเหวที่มันวางไปหลุมพรางไว้ทางด้านเราก็ถูกโจมตีทันที ในเหตุการณ์ทางด้านนี้หละครับมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนผมงงไปหมดพอได้สติลืมตาขึ้นมาครั้งแรกก็เห็นซากช้างเกลื่อนแคมแหลกพีนาตไม่มีชิ้นดีตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกพวกคุณยังไม่ได้บอกให้ผมทราบโดยละเอียดนักเลยแล้วพินถามเสียงเหือดไม่วายมองไปยังซากช้างเป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้นเอาลนะ เราจะเล่าให้คุณฟังอย่างถี่ถ้วนที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างภายหลังจากที่คุณไปหมดสติอยู่ในเหวเดี๋ยวเราจะเรียกลูกน้องมือดีของคุณทั้งสี่ค น, นเข้ามาด้วยเพราะแต่ละคนก็เผชิญกับเหตุการณ์คนละมุมพวกเขาพบเข้าอย่างหนึ่งฝ่ายเราก็พบอีกอย่างหนึ่งก่อนจะลงท้ายด้วยการเปิดฉากยิงแบบตะลุมบอลกับไอ้โลงช้างและกองทัพผีดิบพวกนั้น และผลที่สุดเราทุกคนก็ต้องถอยขึ้นไปอยู่บนหน้าผาอันทั้งหมดเนื่องจากต้านไม่ไหวถ้าเมื่อเย็นวนันนี้คุณไม่มาเลือกชยภูมิตรงนี้เป็นที่พักและวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ไว้ก่อนรับร้องว่าพวกเราจะไม่มีใครเหลือรอดอยู่ได้สักคนเดียวไอ้ช้างผีสิงเหล่านั้นมันตะลุยเข้าใส่เราดุเดือดซะยิ่งกว่าหน่วยกล้าตายสิตัวนึงล้ม อีกตัวหนึ่งจะหนุเนเรื่องผลักดันผาโถมกันเข้ามาไม่มีการตัวลูกปืนเลยขนาดเราหนีขึ้นไปอยู่ในถ้ำบนหน้าผาละพวกมันก็ยังมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เต็ไมไปหมดแบบยึดครองพื้นที่เลยกำลังจะล่าถอยไปอย่างเงียบๆก็ตอนใกล้สว่างเราสักสีนาฬิกาเศษนี่เองพอพวกมันไปแล้วเราถึงได้เสียงลงไปแกะรอยติดตามคุณน่ะ อเมริกันอาวุโสกล่าวขึ้นโดยเร็วแล้วพยักหน้ากะเชิดบุตรเป็นสัญญาณนายทหารหนุ่มลุกขึ้นยืนทันทีตะโกนเรียกบุญคำเกิดเสยแลจจันให้เข้ามาหาพาะคนทั้งสี่เข้ามาถึงก็ได้รับคำสั่งให้นั่งลงนี่ฐานใหญ่เขาอยากรู้ว่าทางด้านเรานะ่าเจอเขายัางไงบ้างเรามาช่วยกันลาดับภาพติดต่อเหตุการณ์ให้เขาฟังหน่อยว่าใคร เห็นอะไรยังไงบ้างการทั้งสี่เล่าไปตามสิ่งที่ตัวเองได้เห็นได้ประสบมาสุดแต่ว่าใครจะเห็นเช่นไรตื่นขึ้นตอนไหนและคริสติน่าก็เล่าว่าหลอนพบกัสิ่งอันผิดปกติน่าสะพึงกลัวที่สุดในขณะที่สะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมาครั้งแรกอย่างไรจุดสําคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือซาตชํารุดของไอ้ผีดิบสองตัว ที่เล่นงานรบพินก่อนและต่อมาก็คืบคลานเข้ามาหลอกล้อนก่อความโกลาหลอลมานให้แก่พวกที่อยู่ในแคมป์ก่อนหน้ากองทัพช้างจะล้อมบุกเข้ามาโดยมีสิ่งที่มองเหมือนลักษณะมนุษย์ขี่บังคับเป็นควานมาบุนคอคจฉาลเหล่านั้นด้วยตลอดเวลารบพินนั่งเอามือนวดหน้าแข่งตัวเองฟังอย่างสงบ นี่ราผินเราไม่เข้าใจเลยนะเจ้าก็ไอ้ผีดิบสองตัวที่ร่างกายของมันชํารุดไปแล้วคลานเข้ามาหมายจะเล่นงานคุณเพราะคุณกระทุ้งมันจนกลายเป็นซาดไปตามเดิมแล้วตัวคุณเองก็ถูกล่อไปเสทางหนึ่งมันกลับคลานเข้ามาเล่นงานพวกเราในแคมป์อีกไอ้ตัวขาดครึ่งท่อนเลื้อยเข้ามาเปิดเต้นท์างด้านปลายเท้าอ้าปากจะงับขาคริสส่วนอีกตัวหนึ่งที่คุณเคยยิงหัวเข่าแหลก ถูกเวียงเข้ามาคลานงุ่มง่ามงุ่มง่ามอยู่กลางบริเวณไอ้ที่น่าสังเกตที่สุดก็คือเราช่วยกันซัดมันด้วยลูกปืนแต่ถึงจะถูกกระสุนจังๆมีชิ้นส่วนร่างกายชารุดไปตามรอยกระสุนก็จริงแต่ก็ไม่สามารถจะยุติมันลงได้มีปืนของคนอยู่ห้าคนเท่านั้นที่เห็นชัดว่าซัดโครม้าไปที่ไอตัวไหนตัวนั้นก็จะคว่ำนิ่งไปทันที คือปืนของพรานของคุณสี่คนที่นั่งอยู่นี่แล้วก็ปืนของเชิดบุตบางนักเท่านั้นนายผมทรงลานดินกล่าวขึ้นอย่างมืดมนไปหมดกระพินเหลือบแวบไปทางบุญคำผู้นั่งกอดเท่าเคี้ยวใบกระท่อมอยู่ทันทีถามเบาๆว่าบุญคำกระสุนของนายทหารเชิดบุตรบุญคำเอาไปเข้าพิธีด้วย แต่เท่าในลำคอก็กระสุนของนายทหารเฉิดบุตรเป็นขนาดเดียวกับพวกของบุญคำอยู่แล้วพอทําเสร็จก็เอาไปแจกให้กับนายทหารแกคงเอากระสุนที่บุญคำลงไว้ให้บรรจุไว้มะถึงได้ตอกไอ้ผีนรกพวกนั้นขมาเคเกไปไม่มีวันจะลุกขึ้นมาได้อีกมีเอ็มสิบหกอีกสองกระบอก ที่ฝากบุญคํำก็จันไว้ที่ถอดกระสุนมาเข้าพิธีด้วยนอกนั้นแล้วบุญคํำก็ไม่ได้ยุ่งด้วยครับรพินพยักหน้าช้าๆหันมองนายจ้างทุกคนที่แวดล้อมอยู่ผมรู้สึกลำบากใจเหลือเกินครับที่จะต้องอธิบายแต่มันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องพูดจากันให้เข้าใจไว้เพื่อไม่เกิดเป็นปัญหาแปลกใจสาหรับพวกคุณ ไอ้ส่วนจะฟังและจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะ่ะก็เป็นอีกเรื่องนะึงซากมัมมี่เหล่านี้ความจริงแล้วเป็นเพียงวัตถุโบราณเท่านั้นการที่มันเคลื่อนไหวและทำการรายได้ก็โดยอานาจไสยเวทอาคมกฤตยามน์มันก็เหมือนกับคลื่นวิทยุที่บังคับให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้นะครับแต่ในทางมนมืดแล้วพลังงานที่บังคับมาแทนที่จะเป็นคลื่นวิทยุ มันก็เป็นกระแสคลื่นแห่งดวงจิตที่กล้าแข็งเราจะต้องเรียนรู้ถึงกริยามนต์อาถรพเวทนี้ซะก่อนและจึงจะหาทางแก้ในทางเดียวกันเศยศาสตร์ก็ต้องแก้โดยใศยศาสตร์ครับที่พวกคุณยังสงสัยว่าเหตุใดลูกปืนจากพวกคุณถูกซาดพวกนั้นแล้วยังหยุดมันไม่ได้แล้วเหตุใดกระสุนของพรานพื้นเมืองของผม รือของคุณเชิดบุตรถ้ายิงกระทบซากมันก็หยุดมันได้สาเหตุก็มาจากที่ว่ากระสุนของฝ่ายพรานพื้นเมืองของผมแล้วก็แจกไปให้คุณเชิดวุดด้วยนะบุญคำเป็นคนนำเข้าพิธีปลุกเสกทางไสยศาสตร์ไว้ก่อนแล้วเพื่อเป็นการแก้กันเพราะฉะนั้นทันทีที่กระสุนอาคมกระทบซากของมันครึ่งของกระแสจิตอันเป็นอาคมเช่นเดียวกัน ก็หมดฤิ์เสื่อมสภาพลงเป็นการถูกทำลายไม่สามารถจะส่งกระแสจิตเข้ามาบังคับซากนั้นๆได้อีกแล้วแต่ถ้ายิงด้วยลูกปืนปกติธรรมดากระสุนก็ทะลุผ่านไปเฉยๆหรือถ้ากระซศกระทบเข้าส่วนสำคัญซากก็จะถูกทำลายชำรุดขาดวิ่นหรือแหว่งไปอย่างเช่นที่ผมยิงสบ้าหัวเข่าของมันแหลกเมื่อบ่ายวันนี้ตามที่ทุกคนก็เห็นแล้ว ทำให้มันเดินไม่ได้แต่พออํอำนาจกระแสจิตเข้าสิงมันก็คลานมาได้อีกตัวหนึ่งถูกคุณช่วยบุษวางระเบิดกายขาดครึ่งท่อนมันก็เอาร่างกายท่อนบนที่เหลืออยู่เป็นสภาพที่น่าเปียดหน้ากละวนั่นแหละเลื้อยมาโดยใช้มือยันตะกายลาาตัวที่ขาดครึ่งซึ่งจะเป็นภาพที่น่าขนลุกขนพองสยดสยองมากทั้งนี้พระลูกปืนของผมก็ดี เรือระเบิดของคุณเชิดวุฒิที่ทำลายซากของมันก็ดีเป็นลูกปืนและระเบิดธรรมดาไม่ได้ปลุกเสกโลหาคมไว้พอะคลื่นแห่งกระแสจิตรื่เราจะเรียกว่าเวทมนตรายเข้าสิงสั่งการซากที่ดูว่าชำรุดแล้วเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวได้อีกตามสภาพที่จะเคลื่อนได้ของมันผมคิดว่าผมอธิบายได้มากที่สุดก็แค่นี้แะครับสเตลลีคีท คริสติน่าและอิสเบีนิ่งอึ้งมองหน้ากันเองล็อกแล้ออะแล้วทำไมทาไมบุญคำถึงไม่ทําพิธีปลุกเศษกระสุนปืนให้กับพวกเราหรือพวกลูกหกักพวกนั้นมั่งอะถ้ามันปราบกันได้จริงอะ่ะอิสเบีร้องขึ้นผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าพิธีปลุกเศษของบุญคำจะได้ผลหรือไม่เพียงไร ก็เพิ่งจะมาพิสูจน์ชัดกันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละว่ามันได้ผลใช้การได้ขนาดลูกปืนของผมเองก็ยังไม่ได้ผ่านการปลูกเศษเลยครับผู้มัวแต่คิดในหลักความจริงที่เห็นได้ง่ายๆว่าถ้าเราเอาลูกปืนธรรมดาทำลายซ่าของมันซะเป็นต้นว่ายิงให้กะโหลกผ่าซี่หรือคอขาดหลุดไปจากตัวมันก็จะหมดทิแต่วิธีหรือแนวความคิดของผมแบบนั้น เห็นจะไม่ได้ผลช่ละเพราะต่อให้มันหัวขาดหายไปมันก็อาจมาพบเราอีกโดยไม่มีหัวก็ได้อย่างไอ้สองตัวที่มันมาอรารวาดหลอกหลอนเมื่อคืนเป็นตัวอย่างต่อไปนี้เราเห็นจะต้องใช้อำนาจทางไสยศาสตร์เข้าต่อต้านกับมันชะแล้วละครับไอ้ครั้งแรกนะผมไม่กล้าพูดอะไรในเรื่องนี้เลยเรงพวกคุณจะเห็นเป็นเรื่องโง่เขาไร้าสาระ แต่นี่พวกคุณก็ได้เห็นกันเองกระตาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมยิ่งนิ่งอมพันนำพวกคุณก็จะยิ่งไม่เข้าใจและก็ว้าวุ่นไปหมดเพราะฉะนั้นผมยอมเสี่ยงบอกความจริงเท่าที่ฝ่ายผมศึกษาเรียนรู้มาดีกว่ามันเป็นศาสตร์อีกขแขนงหนึ่งซึ่งแยกทางกันไปจากวิทยาศาสตร์พวกคุณไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาศึกษาให้รู้ถึงแก่นของมันหรอกขอเพียงแต่ยอมรับฟังเท่านั้น ว่าบางแห่งบางพื้นที่มันมีอยู่จริงและถ้าทางด้านผมขอร้องแนะนําอะไรออกไปก็ให้ปฏิบัติตามเท่านั้นอย่าดูแคลนหัวเราะเยาะหรือเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลตกลงไหมครับถ้าพวกคุณตกลงพร้อมที่จะรับฟังปฏิบัติตามข้อแนะนําได้ผมก็จะสบายใจมากขึ้นกว่านี้อีกมากเชื่อแล้วก็รับรองได้ว่า เรามีทางที่จะผ่านสิ่งลี้ลับซึ่งสำแดงตนเป็นพิษเป็นภยัยแกเราอยู่ในขณะ น, นี้ไปได้แน่นอนครับคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งเป็นตัวแทนเด่นชัดของฝ่ายวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คอแข็งกันไปหมดกระพินเองก็นิ่งเหมือนกันเขาสำรวจสีหน้าของแต่ละคนยกเว้นเชิดบุตรผู้ซึ่งเข้าใจอะไรอะไรดีอยู่แล้ว นายทหารหนุ่มพึนพรรมออกมาว่ายากมากนะระพินที่จะทำให้ท่านผู้เจริญขีดสุดแล้วในโลกวิทยาศาสตร์เก้าหน้าเหล่านี้คล้อยตามเชื่อได้พวกเขามีแต่คำถามว่าทำไมทำไมอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอมีคำตอบคำอธิบายก็รับฟังไม่ได้ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกพวกเขาไปพบคุณ ล่นไปค้างอยู่กลางเหวและยังหายใจอยู่ได้เพียงแค่สลบไม่ตายไม่มีบาดแผละอะไรมากไปกว่ารอยฟกช้ำดำเขียวพวกเขาก็ได้แต่ถามกันเองว่ามันเป็นไปได้ยังไงความจริงร่างกายคุณนะ่ะมันควรจะแหลกเหลวไปแล้วเพราะตกลงไปกระทบระไปกระหินลึกมากครั้นเอาตัวกลับมาถึงแคมป์ได้แล้วบุญคำก็ไปเอาใบไม้อะไรมาคั้นเอาน้าผสมเหล้า กรอกให้คุณกินโดยไม่ยอมให้เขาฉีดยาหรือปฏิบัติการทางการแพทย์ช่วยเหลือคุณอย่างใดก่อนเขาก็มองเห็นพวกนี้เป็นพวกปาเถือนพอมดหมอผีแต่แล้วในที่สุดคุณก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตลายพิษช้ำในรอดตายมาได้เขาก็งงกันอีกถามกันหน้าตาบ้องแบล ว, ว่ามันเป็นไปได้ยังไงท้ายสุดไอ้เข็มฉีดยาที่เขาพยายามจะจิ้มเข้าไปในเนื้อคุณ โดยที่คุณยังไม่ยอมอนุญาตให้เขาฉีดปรากฏว่าเข็มงอเข็มหักเขาก็ได้แต่บ่นกันว่ามันแปลกมันแปลกเท่านั้นผมว่าวิธีที่จะให้พวกเขายอมรับฟังทฤษฎีของคุณได้คุณควรจะทําอะไรสักอย่างดีกว่าเอาให้เห็นกันจัดจัดซึ่งซึ่งหน้าอย่างนี้แหละวิธีที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้อะคุณไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรสักอย่าง สิ่งที่เราพบเห็นมากระตานะเรายินดีจะเชื่อคุณแล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจอะไรไปบ้างและมีคาถามว่าทาไมคุณก็ช่วยอธิบายให้เราพอรู้บ้างเท่านั้นแหละส่วนเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะเราไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนนะด อ, อร์สแตนลีย์รีบบอกมาโดยเร็วครับได้ครับ ผมจะพยายามอธิบายครับเมื่อถูกตั้งคำถามนี่ไทวันคุณจะโดนคำถามที่เรายังคลองใจอยู่เยอะทีเดียวนะคุณเบนพูดมาอย่างเอาจริงเอาจังเป็นครั้งแรกครับก็ขอให้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าและเกี่ยวกับความเป็นความตายของพวกเราในขณะนี้เถอะครับเพราะตามปกติแล้วผมก็ไม่ชอบที่จะตอบคำถามใดที่มันนอกเรื่อง เกินความจําเป็นครับอ่ะงั้นเอาเรื่องง่งายๆเฉพาะหน้านี่แหละนะทำไมฉันถึงจิ้มเข็มฉีดยาไม่ระคายผิวคุณเลยเมื่อคุณยังไม่รู้สึกตัวหรือยอมอนุญาตให้เสือปลายเข็มเข้าไปได้<ม>ก็เป็นปัญหาเดียวก็นั่นแหละครับก็ข้อสงสัยของพวกคุณที่ว่าทำไมผมตกเหวกระทบกับแง่หินและทำไมถึงไม่มีบาดแผล มีรอยแตกหัก เ, เลือดออกคำตอบไม่ง่ายก็คือผมมีภูมิคุ้มกันผิวหนังร่างกายไว้ให้มันคงทนเหนียวแน่นเป็นพิเศษก็เกิดจากอิทธิพลของว่านบางชนิดที่อาจกินอยู่เป็นประจำและก็คาถาอาคมทางไสยศาสตร์เข้าควบคุมไว้ด้วยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผมหรอกครับพวกคุณทุกคนหรือใครก็ได้ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างผม มันก็จะเกิดผลแบบเดียวกันภูมิคุ้มกันที่ว่านี่หมายถึงว่าของมีคมทุกชนิดจะไม่สามารถทำให้ผิวหนังเปิดแยกออกไปได้แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันในกรณีที่ว่าถ้าไปเจอเอาของมีคมประเภทที่เจ้าของเขามีวิชาเหนือกว่าแก้กันตกเหมื่อนนั้นผิวหนังของผมก็เปื่อยยุ่ยไปทันทีเหมือนกันถ้าพวกคุณเรียนรู้กันมาบ้าง ในศาสตร์ชนิดนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งลี้ลับหรือจะทำให้ผู้ที่ศึกษาร่ำเรียนมาวิเศษเหนือไปกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปหรอกไอชีวิตผมน่นมันอยู่ในป่าเสี่ยงอันตรายมากผมก็จำเป็นจะต้องศึกษาร่ำเรียนไว้ไม่งั้นก็คงจะไม่เหลือชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งพวกคุณมาจ้างให้นำทางครั้งนี้หรอกตายไปซะตั้งพันครั้งแล้วล่ะคุณไอเข็มฉียาของคุณนะ่ะ มันอาจเล็กจิวเกินไปแล้วมะเขาชี้ไปที่มีดแล่เนื้อขนาดย่อมที่เสียบอยู่ที่ขากางเกงเดินป่าของเบร์แล้วถามว่าเบร์มีดของคุณเล่มนั้นคมแค่ไหนเบร์ทำหน้าตื่นตื่นนี่คุณอย่าทำเป็นเล่นนะนี่เกือบจะเป็นมีดผ่าตัดทีเดียวตอคุณไม่มีมีดโกนมาด้วย จเจ้ามีดนีนถางหนวดคุณก็ยังไหวน ะ, ะงั้นดึงออกมาหมอเบลแล้วก็เฉือนที่แขนผมนี่ไม่ต้องเกรงใจมีกำลังเท่าไรออกแรงเฉือนได้หมดเลยบ้าแล้วรพินคริสตินาร้องเอ็ดขึ้นจองพานยิ้มขึ้ขึผมไม่บ้าหรอกคริสผมทายหมอเบลเฉือนเนื้อผมออกมีดคมนะผมไม่กลัว กลัวแต่จะคมไม่พอเท่านั้นแหละเพราะถ้าไม่คมแล้วมันแสบผิวเปล่าๆคุณเบงกระพริบตาปริบ ป, ปริบชักมีดออกมาจาักปลอกแล้วเอาเนื้อรูดทดลองคมกระพิงยื่นแขนไปตรงหน้าบอกเรียบเรียบว่าถ้ากลั ว, ว่าจะต้องลำบากมาเย็บแผลให้ผมภายหลังก็ค่อยๆกรีดเบาๆก่อนก็ได้คุณ ทีนี้ถ้าเบาแล้วยังไม่เข้าก็ให้ค่อยๆเฉือนแรงขึ้นตามล้ำดับเขาจะหมดแรงคุ้นั่นแหละก็ถึงก็ดูก็ทีิแม่ผมแดงร้องออกมาถือมีดแหล่เนื้อเฉยคีดก็เป็นคนจริงคนนึงประกอบก็หามหามอยู่ด้วยและตัวเองก็สงสัยอยู่เต็มเหนียวเหมือนกันจึงพรวดเข้ามาทันทีฉวยมีดไปจากมือของแม่ผมแดงกระพิน ให้ผมลองก็คงได้ใช่ไหมใครก็ได้ทั้งนั้นแหละในบรรดาพวกคุณนะทานใหญ่บอกคิดทดลองออกนิ้วลูกคมมีดดูก่อนแล้วแตะปลายแหลมลงกระขอบของแผ่นผืนพลาสติกที่ปูอยู่กรบเบีเบาๆปรากฏว่าพลาสติกตำแหน่งนั้นเป็นทางขาดราวก็กรีดด้วยใบมีดโกนนายผมส่งลานบินจ้องหน้าเขา แน่ใจนะระพินโอเคตามถนัดเลยคิดคุณจะได้รู้จักผมหรือคนไทยดีสถทีลาริคิดคว้าแขนรบพินไปจับไว้ด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งถือมีดจะลดปลายแหลมลงกับบริเวณท้องแขนของเขาแล้วกรีในลักษณะกระชากเบาๆโดยกะว่าถ้ามันเกิดเข้าแผลก็จะไม่ลึกหรือยาวเกินไปนะัก ปรากฏเสียงดังวืดอันเกิดจากคมเหล็กแหลมบางกรีดขวนกับผิวทั้งหมดที่เบิกตาจ้องตะลึงมองอยู่ก่อนแล้วเห็นเพียงเป็นรอยขีดขาวๆบนผิวหนังของระพินเท่านั้นคราวนี้กรีดแรงขึ้นอีกคิดแล้วแรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดถ้ากรีดแล้วมันยังไม่เข้าขุมเฉือนเลยเอาให้แรงที่สุดเท่าที่แรงคุณมี เจ้ามักคุเทศพยักหน้าเตือนมาอีกใช้มือลูบตรงบริเวณท้องแขนเขาอีกครั้งหนึง่งพร้อมทั้งนั่งนิ่งสะกดกลั้นลมหายใจขีดทำหน้าพิกลเริ่มจะรดมีดแล้วกระชากอีกครั้งคราวนี้ดังควะกผลเหมือนเดิมคือเป็นเพียงทางขีดสีขาวเท่านั้น เสียงอเมริกันคนอื่นๆครางหึในลําคอนายคิดไม่ฟังเสียงแนละจอมีดทางคมลงกระทองแข็งเขาได้ก็แยกเขี่ยวเถือเชื่อดลงไปชนิดหัวสันหัวครอนเลยสภาพของคมมีดกับผิวเนื้อมีลักษณะเหมือนเอาไม้บรรทัดทื่อๆเลื่อยกับยางรถยนต์ผิวเนื้อบริเวณ น, นั้นเห็นชัดว่ายนลู่ไปมา ตามแนวการเฉือนเลื่อยนั้นแต่จะแหวกผิวเข้าไปถึงเลือก็หาไม่คีเชื่อเฉือนอยู่อึดใจก็ยกมีดขึ้นอ้าปากค้างมองหน้าระพินแล้วหงหลังแผลลงนั่งจำเบาหน้าเหลือสองนิ้วพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าหวนคิดย้อนไปถึงว่าตนเอง เคยปะทะประลองกำลังฟาปา ก, กับพระพินในวันนั้นแล้วยิ่งใจหายคนอย่างเขาจะไปคานาอะไรกับชายไทยร่างเล็กคนนี้ได้เนื้อหนังมังสาเหมือนไม่ใช่มนุษย์ขืนฟาดกันจริงๆต่อให้เขาตัวใหญ่กว่าชนิดบางเกือบมิดเขาก็ป่นไปท่านั้นสงสัยไหมครับว่าผมจะเล่นกลทาให้มีดมันเกิดทื่อขึ้นมา ในขณะที่จะหดลงกับผิวหนังของผมแต่สงสัยอย่างนั้นก็ลองเอามีดเล่มเดียวก็นั่นแหละกรีดเนื้อคุณเองดูบ้างแล้วกันแล้วดูสิว่าเลือดจะกระชูดออกมาไหมรพินไพรวันบอกพร้อมกัะยิ้มขืึนๆ ข, ข, ขีดคลางออกมาในภาษาของตนแปลเป็นไทยก็คงจะทำนองว่าชิบหายที่กูกูกลัวใจเสือนี่จริงๆ นี่มันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานี่หว่ามีอะไรพิลึกพิลึกพอๆกับผีดี่พวกนั้นแหละเชิดบุรยิ้มร่าออกมาอย่างพอใจตามองจับอยู่ที่พรานใหญ่อย่างนับถือเต็มเปียกสแตลีมีข้าพิศวงขีดสุดรีตาลงส่วนคริสติน่ากับอิสเบอร์ก็เดือกน้ำลายลงคอฝึดฝดไหนลงส่งแขนคุณมายฉันตรวจหน่อยสิ หมอเบลบอกเสียงสั่นๆจอมพรานยื่นแขนข้างนั้นไปให้โดยดีหล่อนใช้มือลูบคลำผิวหนังบริเวณท้องแขนนั้นอย่างพิจารณาและทดลองขีบหยิบหนังตอนนั้นขึ้นมาพึพรรมพ์ำกับทุกคนว่าลักษณะผิวหนังของเขาขนาะนี้ไม่ใช่สภาพผิวหนังของคนทั่วๆ่วไปเลยดูมันลื่นผิดปกติไปมาก แล้วก็แยกต่างหากออกไปจากเนื้อภายในหนาขึ้นมากเหลือเกินมิน่าล่ะคงมีดหรือเข็มฉีดยาถึงได้ทิ่มไม่เข่ายังไม่ทันขาดเสียงตอนก็กำแขนก็ไว้จ่วงแทงฉึกลงไปทันทีบนท้องแขนนั้นมีดกระเด้งขึ้นมาผิวมีรอยบุ๋มลึกลงไปไปชั่วไม่ถึงอึดใจก็ตึงขึ้นมาตามเดิม เพียงการขยี้แรงๆของระพินเท่านั้นพวกคุณทุกคนเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ใช้ของมีคมทาอันตรายผมไม่ได้แต่ความอัศจรรย์ที่คุณเห็นอยู่นี่นะเป็นเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งในร้อยของมนต์มืดกาลีที่พวกเราทั้งหมดกำลังเผชิญกันอยู่จากศัตรู เ, เรื่องหนังเหนียวเพียงแค่นี้เนดะีย๋ยวว่าแต่ผมเลครับเด็กของผม ไม่ว่าจะเป็นบุญคมหรือจันก็สามารถจะทำให้พวกคุณดูได้ทั้งนั้นเลยอย่างที่บอกแล้วไงมันเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้และเป็นเพียงแค่ศาสตร์เบื้องต้นของวิชาการชนิดนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกคุณคงหมดสงสัยไปได้แล้วว่าเหตุใดผมจึงไม่แตกไม่มีรอยฉีกขาดของผิวเนื้อ เมื่อหล่นลงไปกระทบกระแงหหินในเหวก็เพราะผมมีศาสตร์ชนิดนี้แหละคุ้มครองป้องกันตัวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ตัวว่ากำลังเผชิญหน้ากับอันตรายที่จะจู่โจมมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้สเตลีเอานิ้วเคาะกระโหลกตัวเองพร้อมกระสันหน้าอยู่ดิกดิพระเจ้าเกิดมาเพิ่งจะเห็นอะไรพิศดารไม่น่าเชื่อ ในการเดินทางครั้งนี้แหละระพินแลื่เวลาที่คุณยอมให้เบนฉีดยาคุณทำยังไงในเมื่อหนังคุณเหนียวอย่างเงี้ยก็เมื่อผมต้องการจะให้ผิวหนังของผมมีลักษณะปกติเหมือนคนทั่วไปผมก็จะใช้คาถาเวทมนต์แก้ออกซะมันเป็นอนํานาจทางกระแสจิตนะครับเมื่อทำให้หนังคงทนเหนียวแน่นเป็นพิเศษได้ก็สามารถแก้คลายมันออกได้เหมือนกัน ตามหลักของตรรกศาสตร์ที่ว่าเมื่อสร้างได้ก็ต้องทำลายได้ผูกได้ก็ต้องแก้ได้ไอ้บางคนเรียนแต่ผูกไม่ได้เรียนแก้และบางคนก็เรียนแต่แก้ไม่ได้เรียนผูกซึ่งต้องถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบถ้าแน่จริงต้องทำได้ทั้งสองอย่างครับกล่าวจบระพินขอมีดเลื่อมนั้นไปจากเบลอีกครั้งถือไว้ในมือตนเอง สะกดใจนิ่งไปชั่วครู่แล้วเอาปลายมีดจะหดลงกับผิวหนังของเขาสกิดเบาที่สุดรอยเลือดเหมือนยางบอลก็ซึมออกมาทันทีตามรอยที่ผิวหนังขาดเขาส่งไปให้พวกนั้นดูนี่ไงครับมีดกินหนังของผมก็ไปแล้วเมื่อผมปรับสภาพของผิวหนังสมัยแล้วถ้ายังอยู่ในสภาวะเช่นนี้ หากเฉือนอย่างคะแนนคิดเฉือนผมตะกี้รับรองครับถึงกระดูกแน่เชื่อบุตรร้องถามคิดมาปนหัวเราะว่าว่าไงคิดพลัดกันเอามีดเชือดเนื้อกาลพินคนละทีเป็นไงฉันต่อให้นายเฉือนเขาก่อนห้าครั้งแต่ให้เขาเฉือนนายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนายพันเอกแห่งย s เอสอารมีร้องอะไรลั่นออกมารีบสันหัวโดยเร็ว พูดบาบบ้าบุศขืนลองกระพินอย่างนั้นฉันก็พังไดิโว้ยอ่ะแล้วคราวนี้รู้สึกตัวหรือยังนว่าวันที่นายทะลึ่งต่อยกระพินน่ะนายน่มันโง่หมาไม่แดกเลยดีที่เขาไม่เอานายไตายหาเชิดบุธได้ทีขู่สำทับและคิดว่าเป็นการดีที่สุดแล้วที่จอมพรนสำแดงเดชให้อเมริกันกลุ่มนี้ได้รู้จักท่าแท้สที มันเป็นการสร้างศรัทธาและตะบะในตัวเองป้องกันไม่ให้มีการคิดที่จะหักหลังเล่นไม่ซื่อภายหลังนี่รพินจนจริงอะคริสติน่าพูดเสียงอ่อ ย, ออยลูกปืนนะ่ะทำอะไรคุณได้ไหมทําไม่ลองก็ไม่รู้สิคริสระพินก็รู้สึกตัวเหมือนกันว่ามันถึงวาระแล้ว ที่เขาจะต้องเล่นสงครามจิตวิทยากันในจ้างกลุ่มนี้แม้ว่าในปัจจุบันจะดูว่าสนิทสนมรักใคร่หน้าไว้วางใจสักเพียงไหนก็ตามเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในคราวหน้าอันนี้แล้วกันผมจะลุกขึ้นเดินจากที่เรานั่งอยู่นี่แค่สิบเก้าแล้วหันกลับมาแอ่นอกให้คุณหญิงด้วยปืนพกที่ติดตัวคุณอยู่นั่นแหละถ้าปากระบอกศูนย์ปืนคุณ ตรงตัวผมเมื่อไรเมื่อ น, นั้นกระสุนของคุณจะไม่มีโอกาสลั่นได้เลยไม่ว่าจะซ้ำสักกี่นัดแต่ถ้ามันพ้นจากร่างกายของผมไปปืนจะลั่นได้และหัวกระสุนมันก็ไม่ถูกผมเอานะเรามาลองดูกันให้ชัดๆอีกครั้งว่าแล้วระพินก็ขยับตัวจะลุกขึ้นแต่คริสติน่ากดไหลเขาไว พอพอพอพอฉันเชื่อและไม่ต้องการจะทดลองชนิดเสียงไม่เข้าเรื่องอย่างนี้กับคุณนรกลองกันด้วยมีดเมื่อกี้เนะี่ยพลาดพลังยังไงก็ยังพอรักษาแผลกันได้แต่ถ้าลองกันด้วยลูกปืนนะ่ะถ้าพลาดเราไม่ต้องการได้ชื่อว่าฆ่าคุณโดยไร้เหตุผลที่สุดแล้วคุณก็ไม่ต้องมาสัญแดงเดชลองด้วยตัวคุณเองให้พวกเราดูหรอกเอาไป็ว่าเราเชื่อกันแล้วกันเอหน่าคิดแฮะ ทำไมไม่ปล่อยรับพินเขาทดลองให้เราดูฉันอยากเห็นนะกำลังของลูกปืนน่ะมันแรงกว่ากำลังของมีดคมคมที่เราจะเฉือนลงไปมากถ้าลูกปืนยังเล่นงานเขาไม่ได้คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนแล้วแต่เป็นซูเปอร์แมนลาริคีดผู้หัวรันและอยากจะรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งลุ้นขึ้นมาเถิดุเองก็จ้องขมิงมาที่รับพินด้วยความเป็นห่วงเนื่องจากไม่เห็นว่า ดรสแตนลีย์ผู้เป็นหัวหน้าคณะจะกล่าวทักท่วงเช่นไรเพียงแต่มองมาอย่างสนใจเต็มที่ระพินรอบขยิบตากับนายทหารหนุ่มเลือดไท ย, เ ด, ยเดียวกับเขาชึงไม่ให้เ อ, อะอะใดๆทั้งสิ้นขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาเอางี้แล้วกันครับผมจะทดลองให้ทุกท่านดูเกี่ยวกับเรื่องปืนโดยไม่ต้องเอาชีวิตของผมเข้าไปเสี่ยงก็ได้ วิธีทดลองของผมก็คือลูกปืนหรือกระบอกไหนก็ตามถ้าผมใช้อำนาจจิต บ, บ, บังคับไม่ให้มันลั่นมันก็จะด้านยิงไม่ออกแล้วถ้าผมสั่งให้มันออกมันก็จะตูมขึ้ น, นทันทีวิธีทดลองนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องยิงมาที่ผมให้เกิดความหวาดเสียวก็ได้อะขอเชิญทุกท่านเดินตามผมมาที่นี่ครับกล่าวจบ พลานใหญ่ก็ลุกขึ้นเดินอย่างผูเผเพราะยังไม่ค่อยแข็งแรงดีนะักใบหน้าตรงไปยังโขดหินก้อนใหญ่ริมทางด่านที่เขานอนอยู่เมื่อคือนนี้ทันทีทุกคนเดินตามไปเป็นพรวนอย่างยังไม่เข้าใจอะไรนะักพวกพลานพื้นเมืองและลูกหาบเห็นการเคลื่อนไหวของคณะนั้นก็หยุดชะงักงานร้องถามมากระหินก็ตะโกนบอกว่าจะล็อกปืนหน่อย ทุกคนทำงานกันตามปกตินะกินข้าวกันให้เสร็จก่อนตะวันตกดินคืนนี้เราจะย้ายขึ้นไปนอนบนหน้าผานอนทั้งหมดทิ้งแค้งไว้ที่นี่แหละพวกนั้นรู้เรื่องไม่สนใจอะไรอีกคงหันไปทำงานกันต่ออย่างแข่งกับเวลาเกี่ยวกับการหุงหาและแล่เนื้อช้างคงมีแต่บุญคำจนันเกิดแล้วก็เสยสี่คนเท่านั้นที่คว้าปืน รีบปรุงเข้ามาสมทบด้วยจอมพรณนำคนทั้งหมู่ที่ตามมาด้วยความสนใจยิ่งยวดมายังโขดหินอันเป็นตำแหน่งสถิตของเหล็กไหลต้นเหตุที่ทำให้กระสุนของเขาทั้งสองนัดด้านใช้มือแตะสัมผัสกระภูเขาหินที่โผล่งขึ้นมาจากใต้พื้นหินนั้นรู้สึกว่าเย็นเฉียบแสดงว่าเหล็กไหลคงจะยังสถิตอยู่ที่นั่นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน และเพื่อจะให้แน่ใจเขาแอบขอกลักไม้ขีดจากจันทมาได้กลักหนึ่งวางทิ้งไว้บนโขดหินนั้นพูดคุยกับกลุ่มนายจ้างถ่วงเวลาซะอีกหนึ่งนาทีแล้วคว้าไม้ขีดกลักนั้นขึ้นมาทําเป็นจะจุดบุหรี่และขีดไม้ขีดขึ้นปรากฏว่าหัวไม้ขีดเปื่อยยุ่ยเหมือนแช่น้าไว้ไม่สามารถทําปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสริมกลักได้พิสูจน์ได้ชัด ว่ากระแสะเหล็กไหลยังรวมตัวกันอยู่ที่โขดหินอันเป็นเวิงถ้าใต้ดินตำแหน่งแน่นอนแล้วการกระทำของเขาไม่มีใครทันสังเกตเห็นได้เอาละคเนแนคิดคุณเลือกเอาได้จะเอาปืนกระบอกไหนกระสุนของใครเสร็จแล้วถือพร้อมในมือแล้วก็บอกผมด้วยแล้วกันคิดถือไรเฟิลจุดหอยู่ แต่คงจะเนื่องจากเสียดายกระสุนที่มีอยู่จำกัดไม่มากนะักจึงยืมปืนพกสั้นของคริสมาถือไว้เปิดโม่ออกตรวจ ด, ดูกระสุนแบบหัวเจาะเกราะที่เจ้าของบรรจุไว้ครบเต็มโม่หกนัดแต่ละลูกไม่เอี่ยมทั้งสิ่งโอเคปืนกระบอกนี้เรียบร้อยเจ้ายัางไงส่องที่ตัวคุณแลเ้เหนียวไกลเหรอบ้าคิด คุณจะฆ่าเข า, างั้นเหรอคริสตินาร้องแหลมและสะบดด่าเพื่อนชายแฟกระพินยิ้มเมืม่อทุกคนไม่อยากหวาดเสียวเพราะกลัวว่าผมจะตายคุณก็ไม่ต้องยิงมาที่ผมหรอกคิดอยิงขึ้นฟ้าก็ได้แล้วดูชื่วว่ามันจะลั่นไหมผมกำหนดไว้แล้วว่ากระสุนทั้งหกนัดจะไม่ลั่นขึ้นได้เลยคุณพร้อมไหมยัง พอพร้อมก็ยิงเลยคิดปิดโม่เข้ากรอบปืนชูปากกระบอกขึ้นฟ้าบอกมาว่าผมพร้อมแล้วจันเหนียวแลวนะเอาเลยสัดให้หมดโม่แล้วแหละนด้คิดเหนียวไกลดับเบิลให้นกง้างขึ้นเองช้าๆแล้วสับลงไป นัดที่หนึ่งนายนั่นยืนตัวแข็งถือมีอาการเหมือนจะชอ็อกอุทานออกมาว่าเฮ้ hey เนียวต่อไปคิดระพินเตือนมาปนเสียงหัวเราะแฉเป็นนัดที่สองนายคิดตาเหลือรีบคืนปืนยัดเยียดส่งมให้คริสติน่าทันทีร้องลัน่นไม่เอาล้วโว้ยจะไม่ยิงแล้ว มันไม่ออกจริงๆเกิดอะไรขึ้นนี่วะกระสุนบรรจุอยู่หกนัด น, นะแต่คุณสับไกไปแค่สองนัดเท่านั้นนะยังเหลืออีกตั้งสี่นนะัดถ้าคุณไม่ยิงใจคนอื่นยิงก็ได้นี่เขาบอกอย่างปกติธรรมดาที่สุดคริสตินา่าเบ์และด็อเตอร์สเตลลีแมมริมฝีปากนน่นนั้นในตันทีนั้นเจ้าของปืนเองก็ก้าวเข้ามา อีก4นะัดฉันจะยิงเองโดยยิงขึ้นฟ้าเหมือนคิดหรือนัดสุดท้ายเอาไว้ส่องมาทางหน้าอกผมก็ได้นะคริสระพินบอกมาอย่างสัพพโยสูบบุรีอย่างสบายใจคริสตินาส่องปากกระบอกขึ้นสูงเช่นเดียวกับเพื่อนชายการยิงของหล่อนใช้วิธีง้างนกขึ้นก่อนแล้วสับไกลลงไปท่ามกลางความตะลึงของทุกคน แม้แต่เชิดวุฒเองนัดที่สามด้านนัดที่สี่ด้านและนัดที่ห้าที่หกก็ให้ผลเช่นเดียวกันคงมีเสียงเข็มแทงชนวนสับลงไปกระทบจานแก๊ปดังแชแฉ เ, เท่านั้นในโปรดเปิดมอวออกตรวจ ด, ดูกระสุนทุกนัดิว่ามีรอยเจาะ ของเข็มแทงชนวนไหมเขาบอกกับทุกคนมาคริสติน่าตาลีตาเหลือกดสลักผลักโมาออกมาทันทีทุกคนเข้าไปรุมดูนอกจากกระพินแล้วคลางกระหึ่มเป็นเสียงเดียวกันจานแก๊ปทายลูกกระสุนจุดสามห้าเจ็ดทุกนัดมีรอยเจาะของเข็มกระแทกเข้าไปลึกขนาดพอที่จะจุดชนวนระเบิดได้ทั้งสิ่ง ถ้าหากไม่ใช่เพราะกระสุนมันเกิดด้านหรือมีการเล่นกลโดยใครเอาแก๊หรือดินปืนออกซะก่อนเป็นไงครับเข็มททงชนวนทำงานตามหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ไหมระพินร้องถามมาระพินนี่ผมไม่รู้จะพูดอะไรได้ถูกเลยนะคุณทำได้ยังไงเนี่ยหัวหน้าคณะกลืนน้ำลายลงคอฟึด มาเดี๋ยวจะหาว่าผมแอบสักเปลี่ยนกระสุนโดยเอากระสุนที่ไม่มีสมรรถภาพที่จะยิงได้แล้วใส่ลงไปในปืนทั้งๆ ท, ที่ผมก็ไม่ได้แต่ต้องปืนกระบอกนั้นเลยอคราวนี้ทดลองใหม่คริสเทลเป็นผู้ยิงอีกครั้งโดยใช้กระสุนชุดเดิมที่ดูเหมือนว่ามันด้านไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนชุดใหม่แล้วคุณโดยปฏิบัติตามคาสั่งของผม ว่าไงเพราะไหมคริสติน่าหน้าซี่เพราะความตกใจเหลือที่จะกล่าวพยักหน้าบอกเกือบไม่มีเสียงว่ะพร้อมอคุณก็เต้าจากตำแหน่งที่คุณหยุดยืนอยู่นี่ออกไปนะนับไปด้วยสิบห้าเก้าเก้ายาวๆนะแมาผมทองปฏิบัติตามคำสั่งเขาทันทีโดยเก้าเป็นเส้นตรง ห่างจากพักพวกที่ยืนอยู่ใกล้โขดหินก็ไปในแนวป่าสิบห้าเก้าและหยุดหันหน้ากลับมานี่คุณคุณไหวยอย่างคนไทยเป็นไหมเขาถามปนหัวเราะคริสติน่าวางสีหน้าไม่ถูกแต่ก็พยักหน้ารับเป็นอดีแล้วงก่อนจริง เอาปืนกระบอกนี้จบไว้ในมือพนมของคุณยกขึ้นเหนือศีรษะเอา ป, ปืนไหว้ผมซะก่อนคริสติน่าประคองปืนกระบอกนั้นไว้ในมือที่พนมและยกไหว้มาทางเขาตามคำสั่งผู้ใช้ช้าปฏิยานตนเป็นภาษาไทยตามที่ผมจะบอกให้เนี่ยนะค่ะ ในฐานะตัวแทนของนายจ้างอเมริกันทุกคนขอปฏิญาณสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าเทพพยาดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าระพินพูดช้าๆเป็นห่วงๆให้แม่ผมทองพูดตามตลอดเวลาก็ปั้นหน้าครึม แต่ซ่อนยิ้มขบขันไว้ภายในอย่างมิชิดคริสติน่าก็กล่าวตามพวกของข้าที่เดินทางมาในวัตถุประสงค์สำคัญในครั้งนี้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ต่อคณะลูกจ้างที่นำทางมาในครั้งนี้ทุกคนจะไม่คิดทรยศหักหลัง หรือมีแผนการชั่วร้ายใดๆทั้งสิ่งไม่ว่างานของพวกข้าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จความเงียบเกิดขึ้นในบัดนั้นได้ยินแต่เสียงของคริสติน่าที่กล่าวตามคำกล่าวของระพินเท่านั้นถ้าหากว่าพวกข้าคนใดมีหัวใจอันไม่สุจริต ก็ขอให้ปืนที่ข้าจะยิงนี้จงลำต้องระเบิดขึ้นและตัวข้าผู้ยิงก็ได้รับอันตรายจากอำนาจระเบิดของปืนนี้แต่ถ้าหากจิตใจของพวกข้าทุกคนสุจริตสมดังเช่นคำปฏิญาณก็ขอให้กระสุนที่ปรากฏว่าด้านแล้วนี้ จงระเบิดขึ้นฟ้าทุกนัดไปคริสติน่ากล่าวตามคำของเขาจนจบข้อความอ่ะทีนี้ก็ซัดได้แล้วคริสแต่เดี๋ยวก็รู้เองว่าปืนมันจะด้านมันจะระเบิดโดยโม่แหกใส่หน้าคุณหรือว่ากระสุนจะผ่านลำกล้องขึ้นฟ้าเป็นปกติคริสติน่านั้น ตามปกติเป็นนักยิงปืนผู้ชำนาญอยู่แล้วแต่ในขณะนี้ดูหลอนน่าสงสารที่สุดเหยียดแขนข้างที่ชูปืนขึ้นเหนือศีรษะสุดแขนแล้วหลับหูหลับตาเหนียวไกลงไปทันที63เสียงกระสุนจุด3 5 7ม็กแทดแหลมกึกก้อง ขึ้นในความเงียบท่ามกลางการคอยดูผลอยู่ของทุกคนทำให้ทั้งหมดยกเว้นรพินสะดุ้งสุดตัวมันเปรี่ยนสนั่นพุ่งกระสุนขึ้นสู่ท้องฟ้าและขณะที่ปืนลั่นนั้นคริสติน่าซึ่งเป็นคนยิงเองก็หดคอลงเพราะความหวาดเสียวชายโย่แผ่นดินไทยรอดปลอดภัยไม่ตกเป็นขี้ข้าใครมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะมีดีอย่างงี้นี่ลวโว้ยพันตรีเชิดบุตรกระโดดตัวลอยร้องตึกต้องออกมาอย่างลืมตัวอเมริกันทั้งหมดบัดนี้ไม่ต้องพูดถึงทุกคนยืนนิ่งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินระพินไพรวันยิ้มน้อยๆตาเป็นประกายทำให้สีหน้าอันแข็งกระด้างเหมือนหินซึ่งเป็นบุคลิกทั่วๆไปของเขา แลดูอ่อนโยนขึ้นเขาเว้นระยะให้แกฝ่ายนายจ้างทุกคนมีโอกาสได้ปรับระดับจิตใจเช่ก่อนและจึงเตือนสติ ค, คริสติน่าเบาๆว่ายิงต่อไปคริสหรืออีกตั้งห้านัดยิงให้หมดเลยจะได้รู้ว่ามันสามารถลั่นได้ทุกนัดแม่ผมทองบัตรนี้กายสั่นเทิมเพราะความหวาดสยอง ที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดโดยตัวเองก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าหลอนวันเกรงอะไรจ้องมาที่ระพินตาขม็งระพินไอ้มอนสเตอร์พวกนั้นหรือกองทัพช้างผีสิงเหล่านั้นฉันว่ามันไม่น่ากลัวนักหรอกนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนแท้จริงคุณนี่แหละคุณน่ะมันพ่อมดชัดๆ ก็ดีถ้าคุณหรือพวกคุณคิดได้อย่างนั้นมันก็ดีระพินตอบออกไปเพราะมันจะเกิดผลดีขึ้นหลายประการหนึ่งพวกคุณจะได้เลิกเสติทีหากจะคิดมีเลขกลใดๆกับผมและสองกำลังใจของพวกคุณจะดีขึ้นอีกมากจะไม่กลัวไอ้ผีดิบหรือช้างพวกนั้นอีกแล้วในเมื่อผมยังมีชีวิต ทำหน้าที่นำทางอยู่อย่างนี้อะยิงนี่ยิ ง, ยงนัดที่สองต่อไปคริสคริสติน่ากัดริมฝีปากแน่นและด้วยมืออันสั่นเทาเป็นเจ้าข้าวอยู่นั้นหล่นชูปืนเหยียดขึ้นไปสุดช่วงอีกมือหนึ่งคอยทำหน้าที่บังสีษะไว้ดูราวกับจะเกรงว่าลูกโม่ของปืนมันจะระเบิดใส่สีษะฉะนั้น ลอนเนวดับเบิลเป็นนักที่สองชะ่วนช้าลงไปกว่าสภาพเดิมของมันเล็กน้อยก็จริงเพราะดังเชียก่อนแล้วก็เปรียงตามมาทีหลังเฮ hey! นักนี้แฮงไฟมันทำท่าเหมือนจะไม่ลั่นแต่ก็ลั่นอยู่ดีแล้ววยลาริคิดร้องลั่นคริสติน่าหน้าซีด ไม่ยอมยิงอีกแล้วสันศีษะอยู่ไปมาใครจะมาทดลองก็เชิญฉันไม่เอาแล้วแต่เดี๋ยวปืนลำกล้องแปดหรือโม่ระเบิดมาทำท่าไม่ดียังไงพี่กนสแตนลีย์คีดและอิสเบลยืนเฉยไม่มีใครขนาาันอาสาแม้ว่าเชิดวุฒจะขยันขยอมาเชิดวุฒคุณนั่นแหละเป็นคนไทยพวกเดียวกับเขาควรจะเป็นคนทดลองยิง เชิดบุตรก็ปอดแหกเหมือนกันเมื่อเบลเอามือผลักไหลมาก็ชะงักรีรีรอรออยู่หันไปมองหน้ารพินเหมือนจะขอคำปรึกษาพรานใหญ่ก็พยักหน้าบอกมาเบาๆว่าไปยิงให้พวกนั้นดูเถอะครับคุณบุตรแล้วพร้อมไม่เป็นอะไรหรอกแต่อย่าสับกระสุนรัวเร็วเกินไปนักนะท่านัดไหนมันชนวนจุกช้าอย่างที่เรียกว่าแห้งไฟก็ชูปืนไว้ก่อนนับจากหนึ่งถึงสิบ แล้วค่อยสับนัดต่อไปเชื่อผมอะออกทุกนัดแหละแม้ว่าบางนัดอาจจุดชนวนช้าไปบ้างเพราะแก๊สมันชื้นเสื่อมคุณภาพนี่ผมก็บอกเผื่อไว้ให้คุณเหนี่ยวไกลเป็นจังหวัดช้าๆรอการแห้งไฟล์ด้วยเพราะถ้าสับเร็วเกินไปนัดไหนที่ชนวนจุดช้ากำลังเตรียมจะระเบิดจุคุณสับนัดต่อไปไอ้ลูกกี่มันแห้งไฟมันจะไประเบิดเอาตอนที่ ม่หมุนเปลี่ยนที่หัวกระสุนไม่ตรงกระลากล้องซช่ละซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับคุณถือระเบิดอยู่ในมือแล้วปล่อยให้มันระเบิดคามือไปเองตอนนั้นอะมันจะอันตรายครับพราะรู้เคล็ดได้รับการแนะนำเสียก่อนแล้วแบบนี้นายทหารหนุ่มก็ก้าวตรงไปที่คริสติน่าทันทีคว้าปืนมามาคริสผมริงเองถ้าคุณไม่กล้าที่จะยิงต่อไป คริสติน่ารีบส่งปืนกระบอกนั้นให้โดยเร็วตัวเองวิ่งกลับมารวมกลุ่มกับพักพวกคอยดูอยู่ด้วยหัวใจอันเต้นระทึกนายทหารหนุ่มเอามือข้างที่จะจับปืนลูบเหงือกขาคางเกงในใจภาวนาบนบานสินสัตว์สิทธิเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้กระสุนปืนที่ด้านไปแล้วทั้งหมดเหล่านี้จงระเบิดขึ้นทุกนัดโดยไม่เกิดอันตรายใดๆขึ้นกับปืนหรือตัวเขาเองแล้วก็ชูปืนขึ้นฟ้า หันมาทางทุกคนเหลืออยู่อีกสี่นัดในปืนพกกระบอกนี้เอาแล้วนะผมจะสับช้าๆไปทีละนัดขาดคำเฉิดบุธก็ค่อยๆน้าวไก ล, ลากยาวๆแบบดับเบิลแอคชั่นให้นกงานขึ้นเองแล้วสับลงไปเองทุกคนจ้องขมิงอยู่ที่ลูกโมที่เริ่มหมุนตามจังหวะเนียวไกลของเขา นัดที่สามตูมขึ้นทันทีประกายไฟแลบเป็นทางยาวร่วมคืบในแสงสลัวของเงาไม้ที่ปกคลุมอยู่ใบไม้เหนือศีรักถูกกระสุนเด็ดขาดร่วงลงมาทั้งชอ่อแล้วนัดที่สีก็ตูมตามขึ้นมาดูเหมือนจะเสียงดังเบาลงจากเดิมเล็กน้อยเท่าขนาดจุดสามแปดธรรมดาเท่านั้นคลายดินขับจะเสื่อมลง แล้วนัดที่หก็ระเบิดสนันวันไว้ตามมาและนัดที่6มีการจุดชนวนระเบิดช้าไปประมาณหนึ่ง น, นาทีซึ่งก็ทำใหเชิดวุฒิสะดุ้งยังขวัญหายเหมือนกันภายหลังจากที่มันเชีย้ยแล้วจึงระเบิดนายทหารหนุ่มถอนใจยาวออกมาได้อย่างโล่ง อ, อกเดินถือปืนลูกโมปรอกระสุนที่ยิงแล้วทั้ง6นัดส่งให้คิดและดอร์สตลีดู ทั้งสองรับไปพิจารณาอย่างเซอ่อซ่าที่สุดปรากฏว่าจานไทยกระสุนตรงบริเวณแกป๊ปมีรอยเจาะซ้ำทุกนัดลึกผิดปกติคราวนี้พวกคุณเชื่อยังในเรื่องสยศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์ของพวกคุณยังค้นไม่พบหาคิวอีดีไม่ได้ตามที่ราพินบอกไว้เชิดวุทธเอ่ยขึ้นกับอเมริกันทุกคนอย่างเป็นต่อไม่ไม่รู้จะพูดยังไงถูกละ อเมริกันเอาวุโสพึมพ์มออกมาพร้อมกับโครูศีศัก์ไปมาตาสีฟ้าของเขาจับอยู่ที่ใบหน้าจอมพรันนี่มันเห็นชัดแล้วก็พิสูจน์ชัดกับตาดีเหลือเกินไม่ใช่ด้วยโกนด้วยแต่มันเป็นอำนาจลี้ลับเหนือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ที่พวกเราเรียนรู้นี่รพินคุณไม่เคยบอกเราแต่แรกเลยนะว่าคุณมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวถึงเพียงนี้ มันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะต้องคุยโวอะไรพวกคุณฟังนี้ครับแต่ถ้าจำเป็นผมก็พิสูจน์ให้พวกคุณดูชัดๆกระตายอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกคุณที่ดีชื่อผมออกมาในการให้นำทางครั้งนี้ก็ไม่ยักบอกรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวผมให้คุณรู้ล่วงหน้าแบบนี้ด้วยแต่ยังไงการที่มันดีชื่อคุณออกมา มันก็ทำงานอย่างแม่นยำและซื่อสัตย์ที่สุดแล้วล่ะเพราะไม่ผิดความจริงเลยในข้อที่ว่าถ้าเราต้องการพรานหรือมักกุเทศนำทางสักคนในภาคพื้นเอเชียนี A ่ N e, พรานคนนี้จะต้องชื่อระพินไพรวัตคริสติน่าพูดเสียงสัน่นแผ่วเบาจอมพรานเหลือบมองหน้าครับก็ไอเครื่องคอมพิวเตอร์ระยำของพวกคุณน่ะมันทาให้ผมต้องทุกข์ยากลาบากอยู่ทุกวันนี้ยังไงล่ะครับ อย่ลืมไมเธอะความจริงเมื่อคืนนี่ผมก็ตายไปแล้วกว่าครึ่งชีวิตแต่พวกคุณก็มีส่วนที่จะช่วยชุบชีวิตผมขึ้นมารับใช้พวกคุณได้อีกเอาล่ะพวกเรากลับไปที่เต็นต์น่ะเถอะครับแล้วก็รีบทานอาหารเย็นให้มันเสร็จซะโดยเร็วจะได้เคลื่อนย้ายขบวนทั้งหมดขึ้นไปอาศัยหลบอยู่ในถ้าบนหน้าผานั่นคืนนี้ประโยคหลังเขาชวนขึ้นทั้งหมดพากันเดินกลับมายังบริเวณที่พัก เชิดบุตรฉวยโอกาสเดินเข้ามาประคองระพินไว้แล้วกระซิบถามเบาที่สุดว่าถามจริงหรอพี่ผมเองก็คิดว่าคุณเป็นพี่ชายคนหนึ่งคุณทําสิ่งมหัศาลนรรี้ขึ้นมาได้ยังไงเกี่ยวก ร, กระสุนปืนลั่นแล้วก็ไม่ลั่นชนิดติดสั่งได้แบบปากพระร่วงเนี่ยจอมพรานกอดคอนายทหารหนุ่มรุ่นน้องไว้กระซิบตอบนี่คุณบุตรคุณสังเกตไหยตอนที่ปืนยิงไม่ลั่น กระสุนด้านหมดน่ะผมบอกพวกเราทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่จะทดลองยิงปืนไปยืนอยู่ใกล้กับอะไรก็โคทินงอกขึ้นจากพื้นดินลักษณะประหลาดก้อนนั้นน่ะอืมทั้งนั้นความสังเกตของคุณก็ดีมากนะและตอนที่จะให้ปืนที่กระสุนด้านไปแล้วลั่นได้ในการยิงรอบสองผมสั่งให้คนยิงยิงยังไงมั้ง คุณก็สั่งให้คนยิงเดินห่างจากกลุ่มพวกเราออกไปประมาณเจ็ดแปดเมตรจากตำแหน่งนั้นทีทวนรอบครอบแล้วก็ช่างสังเกตดีมากคุณขอเมอีกครั้งผมจะบอกให้นะครับพรานใหญ่ทําเป็นกอดคอเชิดวุฒิที่ประคองอยู่เช่นนั้นกระซิบเบาที่สุดแล้วคุณก็ไม่ต้องแพรงพรายพวกนั้นทราบนะเพราะถึงคุณจะอธิบายยังไงพวกนั้นก็ไม่รู้เรื่องหรอกมีอะไรเหรอพี่ ก้อนที่โคหิน ง, งอกลักษณะประหลาดก้อนนั้นแหละกต่ำลงไปใต้พื้นดินนะ่ะมันเป็นถ้ำใหญ่โคดของเหล็กไหลเคลื่อนย้ายจากแนวขุนเขาที่เราเห็นแวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้มารวมตัวกันอยู่ในนั้นเกิดกระโผลออกมาจากซอกรอยแตกของก้อนหินอยู่แล้วนะคุณฮุโคดเหล็กไหลนี่นี่นคุณอย่าวุยว่ยไว้เลยสิเงียบเงีย บ, บไว้ไม่เพียงแต่ฝรั่งพวกนั้นเท่านั้นนะ แม้แต่พลานพื้นเมืองของผมทุกคนคุณก็อย่าได้แพร่งแปรบอกไปนั้นค่ะประเดี๋ยวจ้าพวกนี้ไม่เป็นอันคิดที่จะเดินทางต่อจะมัวแต่ค้นหาเหล็กไหลซะเท่านั้นไอ้โคตรเหล็กไหลตำแหน่งเนี่ยมันจะใหญ่โตสัขนาดไหนผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้ว่ามันไม่ใช่เล็กๆเลยอนุภาพรัศมีของมันที่แผ่กระจายออกไปมีบริเวณปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นโดยรอบไม่ต่ำกว่าห้าเมตรในละแวกห้าเมตรที่พวกเราเข้าไปยืนกันอยู่ ปืนทุกชนิดต่อให้ปืนใหญ่เรื่องอะไรก็ตามที่จะเป็นเชื้อปะทุจะไม่สามารถทํางานได้เลยอย่างเด็ดขาดสรุปก็คือมันจะด้านหมดไม่มีการเกิดประกายไฟได้เมื่อไม่เกิดประกายไฟเสอย่างเดียวดินปืนก็ไม่อาจถูกเผาไหม้แล้วดินเมื่อไม่มีการเผาไหม้กระสุนมันก็ด้านเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นตอนที่ทดลองยิงครั้งแรกโดยท้าพนันกับพวกนี้ว่าปืนจะต้องยิงไม่ลั่น ผมถึงให้พวกเขายืนยิงอยู่ใกล้ๆกระโขดหินหรือเรียกว่าใกล้เหล็กไหลตำแหน่งนั้นที่สุดผลก็คือด้หมดทุกนัดแต่พอจะให้มันลั่นผมก็แกล้งสั่งให้คนยิงเดินห่างพ้นรัศมีออกไปแล้วก็หันปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าซะปืนจึงลั่นได้ตามปกติเรื่องนั้นก็แค่นี้เองคุณไม่ใช่ว่าผมจะมีเวทมนตร์คาถาอะไรที่จะสั่งปืนให้ลั่นหรือไม่ลั่นได้หรอก อาศัยของอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์โดยทางธรรมชาติเข้ามาช่วยเล่นกลข่มขวัญพวกนี้แหละเชิดบุตรตาลุกโปลพระอระหันและนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นน่ะมีเหล็กไหลอยู่ก็ผมโดนเข้าก่อนแล้วสิคุณเมื่อกลางดึกมเมื่อคืนนี้อีตอนที่ไอ้ผีดิบมันคลานเข้ามาเล่นงานผมกระสุนของผมที่ยิงไปสองนัดน่ะมันด้านหมด ก็อย่างที่คุณเห็นดอกเตอร์สแตนลีย์เก็บไว้นั่นแหละผมยิงไม่ได้เลยต้องฟาดกับมันด้วยพานท้ายปืนแล้วมีดลงอาคมเพราะมันหมดฤทธิ์นิ่งไปแล้วผมถึงค่อยๆพิจารณาใคร่ครวญดูว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เลยพบความจริงว่ากระแสของเหล็กไหลได้มารวมตัวกันอยู่ตรงโขดหินก้อนนั้นปืนจะใช้ไม่ได้ผลเลยในในบริเวณห้าเมตรใกล้เคียงกับที่มันรวมตัวกันอยู่ นี่ผมขอร้องอีกครั้งนะคุณเมื่อผมบอกความจริงคุณในเรื่องนี้แลว้วคุณลืมไปเลยอย่าไปสนใจกระเหล็กไหลนั่นอีกนะอย่างพวกเรานะ่ะมันไม่มีว่าสนาที่จะเอาออกมาเป็นสมบัติส่วนตัวของเราได้หรอกคุณเหล็กไหลนะ่ะมันเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองผู้มีบุญญาบา ร, รมีสูงเท่านั้นแหละที่จะเก็บรักษาไว้ได้ต่อให้เราเรียกออกมาได้และเก็บไว้เป็นสมบัติถ้าเราผิดสักจกิักหรือบารมีไม่ถึง เหล็กไหลก็จะอันตรธานหนีหายไปจากเราทันทีก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาก่อนไงเพราะฉะนั้นเราตามระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นผมว่าง่ายกว่าที่จะคิดตามเหล็กไหลครับเชิดวุตรลึงงันไปนานระหว่างที่เดินช้าๆเคียงคู่ไปกับเขาผมผมเห็นคุณทำอะไรประหลาดประหลาดอยู่อย่างหนึง่งก่อนที่จะให้ลองเปิด คุณเอาไม้ขีดไฟจากจันไปวางบนโขดหินก้อนนั้นใช่ผมต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจที่สุดว่าเหล็กไหลเคลื่อนย้ายตัวไปจากที่นั่นแล้วหรือยังถ้ายังอนุภาพของรังสีที่แผ่กระจายออกมาจะทำให้หัวของไม้ขีดไฟเบื่อแฉะไป ห, หมดราวกระถูกแช่น้ำและไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับฟอสฟอรัสได้ก็แค่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นผมลองเอาไม้ขีดไฟนั่นขีดดูปรากฏว่ามันขีดไม่ติด หัวไม่ขีดลุยไปหมดทําให้ผมแน่ใจได้ว่าลูกปืนของคริสหรือของใครก็จะต้องด้านทุกนัดนั่นแหละรายการนี้ไอเจะว่าไม่ได้เล่นโกนมันก็ไม่ถูกนักหรอกครับความจริงมันก็เล่นโกนนั่นแหละแต่เป็นการเล่นโกนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาถรรพ์เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยคุณไม่ไร้กาดจริงๆนะพี่ผมนั่นไม่กลัวพี่นะเป็นพ่อมดอย่างที่คริสติน่าว่าสิถ้าแบบนั้นก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้ะ ผู้วิเศษเชีละที่แท้พี่ก็เล่นลูกไม้แบบนี้เองและที่ผมชอบใจที่สุดก็คือตอนที่พี่บังคับให้คริสติน่าไหวพี่ซะก่อนแล้วก็กล่าวปฏิญาณสาบานตัวต่อหน้าพวกเขาทุกคนด้วยมันทำให้ได้ผลทางจิตวิทยาเหลือเกินอย่างนั้นอย่างน้อยพวกนั้นก็เข็ดขยาดพี่จนขนหัวลุกไม่กล้าที่จะคิดเป็นพิษเป็นภัยใดๆแน่นอน ไอผมเองครั้งแรกก็แทบจะลงกราบเท้าพี่ทีเดียวนะแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องมามีอาชีพเป็นพรานอยู่ต่อไปให้เสียเวลาหรอกไปเป็นเกจิอาจารย์ปลุกเสกเครื่องรางของขลังดีกว่ารับรองพี่คนขึ้นทั้งประเทศพรานใหญ่หัวเราะเบาๆนี่คุณบุตรผมเนี่ยยังไม่มีอิทธิริยานบารมีถึงขั้นนั้นนคุณแล้วก็มีไปไม่ได้ด้วยกราบใดก็ตามที่ผมยังฆ่าศัตว์ตัดชีวิต ลบากอยู่แบบนี้อาคุ้มก็พอจะมีอยู่บ้างแต่เพียงพอแค่คุ้มตัวไปวันวันหนึ่งเท่านั้นยังเป็นอาจารย์ใครไม่ได้หรอกคุณมันเป็นแค่เดราจฉานวิชาขั้นต่ำสุดไม่ใช่ชั้นสุดาบัน